ก็จะได้ให้โอวาทแก่พระใหม่เน้นใหม่นะเน้นนั่นพามดำกัเพื่อนไว้นอ่อ <c oughs> <c oughs> มันจะได้เป็นกรรมฐานนี้ต่อไปก่อนอื่นการเป็นนักบวชนะขอให้เข้าใจต้องมีความอดความทนเป็นกำลังใจ มันไม่ตั้งใจฟังนะ่ะในเนในบางเน น, เนมันมองเบ่อไปที่อื่นหมสำรวมใจให้ดีสิมันจะรู้อะไรได้นะ่ะไม่สำรวมใจไม่สำรวมกายต้องมีความอดความทนเป็นพื้นฐานของขิดใจการเป็นนักบวชนี่ ท่านพระสารีบุตรได้พูดแก่บัณดิตะปุ ม, มาณที่ไปขอบวชกับท่านท่านพูดว่าการเป็นนักบวชนี่ <c oughs> มันมีความมุ่งหมายต่างๆกันจากผู้ครองเรือนท่านว่าเป็นนักบวชนี่ ปรารถนาร้อนกับได้เย็นปรารถนาเย็นกับได้ร้อนเช่นนี้เธอจะปฏิบัติตามได้หรือว่าเงี้นบัณฑิตะมมกุมารก็บอกว่าปฏิบัติตามได้หมายควาว่าชีวิตของนัก บ, บวชนี่นะ่ะมันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นอืมดังนั้นถ้าผู้อื่นเขาให้ อย่างไรเราก็จึงได้อย่างนั้นบางทีเขาก็ให้ช้าที่เราต้องการรวดเร็วก็ไม่ได้ก็มีอ่าก็ได้ช้าอย่างนี้นะบางทีเราไม่ต้องการรีบร้อนอะไรอา้าวกลับได้ร้อนกลับได้รวดเร็วชีวิตของเราบวชนี่นะ เนื่องจากว่ามันอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เหตุนั้นเราจะปาถนาอะไรให้มันได้ดังใจทุกข์กังไปรั่นไม่ได้ให้เข้าใจเหตุนั้นเราบวชอยู่ด้วยการหมู่มากอย่างนี้นะแล้วก็ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ก็ต้องให้ทำความรักให้เอ็นดูต่อกันและกันอืม อย่าไปอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันใรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันถ้าว่าทางบาลีเราทานกันเลยว่าเป็นสหธรรมมิืมหมายความว่าเป็นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันคาว่าสหธรรมมิตรนี่นะถ้าเราถืออย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทาง ที่จะไปทะเลาะบอกแว่งกันอืมเขาบอกเป็นเพื่อนกันนี่นะหมายความว่าเพื่อนร่วมสุกร่วมทุกข์กันทุกข์ก็ทุกข์กด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันอย่างนั้นอา้าใครคนใดก็ห น, นึ่งตกทุกข์ได้ยากมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเอา้าวเราก็ช่วยเหลือกันอืม อย่างนี้ <c oughs> เน่นน้อยที่นั่งอยู่หลังๆเพื่อนีม้มัมันไปยุ่งกับตั้งแต่ผ้าแหวะอย่าไปยุ่งมันตั้งใจฟังดีๆ <c oughs> เอามือประคองไว้ผ้านั่นนะลูกวัวมันจะหลุดออกจากบบ่าแล้วก็เอามือประคองไว้มันก็อยู่หรอก 嗯 ม, มนั่นแหละมือหนึ่งก็กำรรปลายลูก ป, ปวบตึงไว้จะให้มันยานอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ว่าแหละลูกบวบนั่นแหละพยายามรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์สินสิบนะ รักษาศีลสิ่สให้บริสุทธิ์ที่เราสมทานแล้ววันนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งปานาติบาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ให้ตายตัวใหญ่เท่าช้างตัวเล็กที่เรามองเห็นด้วยตาอ๋อนี่สัตว์นะเนี่ยมองเห็นด้วยตาแล้วอย่าไป เบียดเบียนมันให้อภัยมันสัตว์เล็กๆถ้าเราไม่ให้อภัยแล้วมันไต่อยู่ตามดินตามดอนตามที่ไหนเราไปเหยียบมันมันก็ตายหมันตัวเล็กมันเปอย่างนั้นดังนั้นเราต้องเอ็นดูมันมันก็ไม่อยากตายเหมือนกับเรานี่แหละเรหมั้นเราไม่อยากตายชั้นใดสัตว์อื่นมันก็ไม่อยากตายเหมือนกันตัวเล็กๆตัวน้อกๆมันก็ไม่อยากตาย อย่างนั้นเราต้องสังวรระวังและอย่าไปใช้ผู้อื่นค่านี่ใช้ผู้อื่นค่าก็เหมือนเหมือนกับตัวเองค่านั่นแหละให้เข้าใจ <c oughs> ข้อสองเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยอืม อย่างนี้เราต้องเข้าใจต้องซื่อสัตว์ต่อกันและกันอยู่ร่วมกันกันเห็นของใช้ของคนอื่นเขาดีกลัวของตัวไปอยากได้เพ้อเพอแล้วไปหยิบสวยเอาอย่างนี้เราไม่ได้นะสินขาดเลยเพอสินขาดแล้วก็ความเป็นสรมเนีนก็หมดแล้วอันนี้เราว่าปาราชีกของสามเนียนนะให้เข้าใจ อย่างนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์ยินดีแต่ในของบริขารของตัวเองเท่านี้ตัวเองมีเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยเท่านั้นคนอื่นจะมีดีกว่านั้นก็เราก็ไม่ทะเยอทะยานอยากได้นี่ต้องรักษาจิตอย่าให้ความโลภมันครอบงำเมื่อความโลภครบอบงำในเดี๋ยวมันก็ไปลักไปล่อเอาของคนอื่นมาเป็นของตน ทำให้สินขาดไปเลยขาดจากความเป็นสามเอนไปเลยอของเล็กๆตัวน้อยอก็ตามอย่าไปหยิบไปฉวยเอาถ้ารู้ว่าของนี้มีเจ้าของอยู่อย่างนี้นะ อ, อย่าไปหยิบไปฉวยเอาเลยอีกอย่างหนึ่งก็เราต้องรักษาศักดิ์ศรีของเราไว้เราได้บวชอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าผู้เผยแผ่ในโลกแล้ว เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่เหตุนั้นเราจะไม่หยิบไปช่วยเอาของของใครเลยเรารักษาศักดิ์ศรีความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไว้ข้อที่สามท่านห้ามไม่ให้ประพฤติผิดค ม, มจันอื์เรียกว่า พอพึดลุกอำนาจแก่ราะตัญหาเช่นอย่างว่าเป็นนักบวชมาแล้ว ừ. ไปจับต้องร่างกายของเพศโกงเงินข้ามอย่างนี้นะหรือว่าไปจับของตอมือกับผู้หญิงโมนี่ก็ไม่ได้นะให้เข้าใจนะมเมื่อผู้หญิงเอาของอะไรให้ต้องบอกให้เขาวางไว้ก่อน เราจึงค่อยจับเอาเมื่อเขาวางแล้วแล้วก็จะไปพูดปาญญาสาไทยกับผู้ย่าผู้ยิงอย่างน้นอย่างนี้ต้องทำรวมกายวาจาใจขึ้นตนให้ดีสิงข้อนี้นะข้อที่สีไอ้เว้นจากพูดเท็จพูดคำไม่จริง พูดคำหยาบคายต่างๆนั้นนะด่ากันด่าพ่อด่าแม่กันด่าโคดด่าวงกันอะไรอย่างนี้นะไม่ได้นะถินข้อ น, นี้นะอย่าอย่าเมื่ออย่ า, ย า, ยากโกรธกันมาแล้วไปด่าโคดด่าวงด่าพ่อด่าแม่อะไรกันอย่างนี้ไม่ได้อย่าไปรู้อำนาจแก่ความโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วต้องระงับต้องค่มใจไว้ อื่างนั้นเรจะไปพูดเจตนาที่จะพูดคําไม่จริงให้คนอื่นหลงเข้าใจผิดไปเรื่องนี้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เราปั้นเป็นเรื่องอื่นไปเพื่อให้เขาเข้าใจผิดไปอย่างนี้นะนี่เราเรียกว่าพูดเท็จเอพูดคําไม่จริงให้เข้าใจเรื่องเป็นจริงอย่างไรก็พูดตามจริงอย่างนั้น แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างนี้ถ้าพูดออกไปแล้วมันจะมีภัยมันจะไม่ไม่สงบมันจะวุ่นวายเราก็ไม่พูดถึงเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็าตามก็ไม่พูดนะเข้าใจไว้แน่นั่นแหละถ้าพูดไปแล้วมันใครเกิดปายหนึ่งเสีย อ, อกเสียใจเลือดร้อนใจ โกรธกันขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละมันไม่ดีพูดถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่ดีไม่มีประโยชน์ให้โทษ อ, อย่างนั้นได้เข้าใจ <c oughs> เราต้องหัดเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนั่นแหละซื่อสัตย์จริงจริงกลงไปกลงมาเลยพูดอะไรก็ต้องมีสติ ละมัดระวังคำพูดไม่ให้มันแพงภพายไปในทางไม่ดีทางเสียหายต้องระมัดระวังเสมอคำพูดนี่นะนักปราชญ์ท่านแต่งเป็นคำกรอนไว้ถึงพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรส ถ, ถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่คนเราอยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้พูดจากันเลยจะไปทะเลาะกันไม่มีเลยให้เข้าใจคนที่ทะเลาะกันอยู่ในโลกกันนี่นะ่ะร่วนแต่มันได้พูดกันความเห็นขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันแล้วก็ทะเลาะกันเท่านั้นแหลอะอไอวาจาคําพูดนี่นะ่ะ มันฆ่าตัวเองก็ได้ถึงกับถูกคนอื่นเขาฆ่าตายเพราะปากนี่ก็มีเยอะแยะเลยต้องระมัดระวังจำเอาไว้นะลุงปู่เตือนนี่นะเราใหญ่กล้าหน้าบ้านมาก็เข้าสังคมไหนไปไหนก็ต้องระมัดระวังคำพูดอย่าไปให้ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจเนื้อมันจะเป็นเรื่องไม่ดี ถ้าไปถูกที่คนใจดำเอามาหิดเขาก็แก้แค้น ม, มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราระวังคำพูดคำจาอยู่พิจารณาเห็นว่าพูดเรื่องนี้ออกไปแล้วมันจะกระทบ ก, กระเทือนคนนั้นคนนั้นจะเดือดร้อนอย่างนี้ไม่พอใจอย่างนี้เราก็ไม่พูดอะไรปิดไปเลยอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าคิดได้อะไรก็พูดไปเรื่อยเรื่อยเปิดไปนึกว่า จะไม่มีความผิดไม่ได้เนี่ยเหตุนั้นนักปราชญ์ท่านยังแปแ่งเป็นคํากรอนไว้ถึงพูดดีเป็นสีสัจมีคนรักทดถ้อยอร่อยจิตถ้าเราพูดดีนะคนก็ยินดีพอใจในคําพูดนั้นทําให้เขาได้รับความสุขความเย็นใจเพราะคําพูดนั้นอย่างนี้นะถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทําลายมิตร แม่คนนี้เคยเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นเพื่อนกันอยู่ถ้าเราไปใช้คำพูดไม่ดีกับเขาล่ะเขาไม่พอใจแล้วเขาก็เลิกล่างกันไปเลยพบกันไม่ได้แบบนี้บางทีก็ถึงกับเขาฆ่าตายอย่างที่ว่านั่นแหละงระมัดระวังไว้ข้อที่ห้าสุราเมรยะท่านห้ามไม่ให้ เืิมเราเมาสุราของเสพติดให้โทษต่างๆนับแต่บุรีนี้ขึ้นไปก็เป็นของเสพติดเหมือนกันฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าไปยินดีกับการสู่บุรีแม่ศึกออกไปแล้วเป็นนักศึกษานักเรียนอะไรไปแล้วก็ดีอย่าไปเกี่ยวข้องให้พากันเชื่อลงปู่ ของเรานี่ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไปสูบเข้าไปแล้วมันติดแล้วมันได้สูบอยู่ไม่ได้แล้วอีกยังกายยังเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่แล้วไปลุกควนพ่อแม่ขอแต่เงินพ่อแม่ไปซื้อบุหรี่สูบหน่อหนึ่งพ่อแม่ไม่มีแล้วก็พ่อแม่ไม่ให้แล้วเดือดน้อนในวันนี้น ะ, ะหน่อหนึ่งก็ไปลักไปขโมยเขาอะ่ะพวกลักพวกขโมยอยู่เนี่ย เข้าใจว่าเป็นลูกพวกเสพของเสพติตเนี่ะเป็นส่วนมากมันหิวมาแล้วมันก็เลยไปเห็นใครใครใครของใครเผลอเผลอตัวก็หยิบช่วยเอาไปเลยนี่แหละของเสบจิตนี่มันให้โทษมากมายทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเพราะนั้นพวกสา ม, มเหตทั้งหลายให้เข้าใจไว้อย่าไปแตะต้องมันใครจะมาชักชวน ล่ อ, ลอหลอกให้สร่องเศษของนั้นนั้นก็อย่าเราได้บวชเข้ามาอย่างนี้แล้วให้จําไว้จําคําสั่งสอนเของหลวงปู่ไว้ถ้าเราจําได้เราปฏิบัติตามนี้แล้วชีวิตของเราก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปเบื้องหน้าสุขภาพอนามัยก็ดีโรคภัยอันร้ายแรงก็ไม่เบียดเบียนร่างกายจิตใจก็ดีอ่า เรียวว่าเป็นคนดีแหละคนไหนไม่ส่องเสพของเสพติดได้นนโทษนะเป็นคนดีแน่นอนเลยข้อที่ห้าภพทธพระองค์ทรงส อ, งสอนให้เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่อาหารนี่ก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างหนึ่งแต่ผู้ที่ เป็นครือข่นั้นมันไม่มีสิกขาบทห้ามไว้อยากเวลาไหนก็ว่ากันไปเวลานั้น <c oughs> แต่ให้สังเกตดูชาวบ้านบริโภคอาหารวันละสองมือสามมือก็ไม่เห็นว่าจะมีกำลังเนี้ยแรงยิ่งไปกว่าน้ากลัวนี่นงะบางคนก็จะมีโรคไัยเบียดเบียนร่างกายกระสุบหอม มีอยู่ทัท้งไปนั่นแหละนั่นให้พวกเธอทั้งหลายต้องคิดดูให้ดีเประศาสตาเลยพี่นาเห็นแล้วว่ามันไม่ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเป็นพระเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเนรเราฉันอาหารหนเดียวภาพเดียวเนี่ยมันมันอยู่ไปได้เพราะเราไม่ได้ทํางานงหนักหนาอะไรไม่ได้แบกไม่ด้หามไม่ได้ขุด ดินพันไม้อะไรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะทรงรู้ดีแล้วดังนั้นพระองค์เจ้าจึงวันนี้สิขาบทข้อนี้ไว้ดังนั้นเมื่อเวลาขอบฉันนะให้พากันเคี่ยวอาหารให้ละเอียดและอย่างพวกกลืนไม่ต้องรีบด่วนถ้าเคี่ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วอย่างนี้กลืนลงไปแล้วมันมันก็ไปอั่งอยู่ที่กระเพาะมาก นอนหนึ่งก็อิ่มแล้วอ่ามันเป็นองั้นแล้วไฟธาต์ก็ย่อยยากเมื่อหากว่าอาหารหยาบนะไฟธาตย่อยยากอืมแต่ก็ททำให้หิวทำไม่หิวเร็วอเป็นงั้นดัวนั้นเรา้องพยายามเคี่ยวอาหารให้มันละเอียดซะก่อนแล้วจึงค่อยกลืนอย่างนี้ธาตาก็ตามมัน อย่าไปคลัวว่าเพื่อนจะอิ่มก่อนแล้วเพื่อนจะไปก่อนอะไรไม่ต้องว่าแหละเมื่อเรายังไม่อิ่มเราก็ไม่ลุกแหลอนั่งขันอยู่งั้นแหละถ้าทําตามที่หลวงปู่แนะนํานี้แล้วก็ไม่หิวละแล้วร่างกายก็เป็นปกติอยู่ได้เหมือนกับบุคคลรับประทานอาหารวันละสองคาบสามคราบนั่นแหละข้อที่ เจ็ดนัจจทีตาวาที่ท่านห้ามไม่ให้ดีตีตีเป่าร้องลำทำเพลงต่างๆกระโดดโตดเต้นซกหัดชกควยอะไรต่างๆวันนี้หิวปากก็ไม่ได้นะจำไว่ได้ศีนข่อนี่นะข้อที่เจ็ดนี่นะ ต้องสำรวมกายมาจ่าให้ดีไปมาทางไหนก็จะกระโดดโลดเต้นต้องสำรวมมรญญารยาทให้ดีให้สมกับเป็นนักบวดข้อที่แปดมาลานะนะ่ะท่านห้ามไม่ให้ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆหมนี่ ไอ <c oughs> ้เราเป็นนักบวชเราก็ไม่ได้ตกแต่งร่างกายอย่างนั้นหรอกแต่ว่าพระพุทธองค์ห้ามไว้นักบวชที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวมาแต่ก่อนจะเป็นเครื่อหัดบวชมาแล้วบางทีมก็อาจระเฮอไปแต่งเนื้อแต่งตัวประดับประดาแล้วร่างกายโดยดอกไม้ของหอมอย่างนั้นก็มีอย่างนั้นให้ให้รู้ไว้อือันนี้นข้อที่แปดนะ ข้อที่เก้าอุจจารท่านห้ามไม่ให้นั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตรงามต่างๆอืมันนี้ที่นอน อ, นอ่อนนุ่มนิ่งนี่นะแต่แต่หมายความว่าหมายถึงเอาที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นนะยัดด้วยนุ่นด้วยสำลีด้วยฝ้ายนี่นะ ให้สังเกตดูถ้าพี่นอนอะไรถ้าเราเห็นเราได้มาอย่างนี้ก็ให้พิสูจน์ดูถ้าเขายัดด้วยนุ่นด้วยห้าคลายอย่างนี้แล้วก็อย่าไปนอนอย่าไปนั้นแต่สำหรับผมนั้นได้อยู่ไม่เป็นไรถ้าเอากูนอนไม่ได้ถ้ายัดด้วยสิ่งอื่น ขอกจากนุ่นและสำลีและฝ้ายอูนี้แล้วท่านไม่ห้ามอืมไม่ห้ามเรื่องนั้นให้เข้าใจแล้วสิขบทข้อที่สิบท่านห้ามไม่ให้รับเงินรับทองและของที่ใช้แทนเงินและทองอันเป็นของไม่ควรแก่สมณะมนั่นแหละให้พากันรู้ไว้ายาบทกันเนนมา เราจะไปรับเงินรับทองใส่กระเป๋าอังสะไว้ใช้ส่วนตัวอะไรต่ออะไรนี้ไม่ได้เลยเราต้องสรรละถ้ามีใครถวายก็ต้องเรียกร้องหาวิทยาวัจกรผู้ที่ไหวใจได้เนี่ยให้เขารับไปให้เมื่อเราต้องการสิ่งของอะไรเราก็บอกเขาให้เขาไปหามาให้อย่างนี้นะ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดว่าไม่ให้พระใช้สอยเงินทองแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นอย่าไปจับจ่ายโดยมือของตนเองต้องใช้ผู้อื่นผู้ที่เขาเป็นเครือขัดคองเรือนนู่นเขาไปจับจ่ายให้เราคอยแต่รับเอาบริหารเครื่องใช้สอยเท่านั้นแหละ อแล้วที่นี้ทางคณะสงฆ์ได้ประชุมกันแล้วเพราะสมัยนี้นะมันก็เป็นสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ครั้งพุตรการมามันก็ไม่อยู่คงที่เช่นอย่างว่าธนบัตรอย่างนี้นะเขาทําขึ้นแทนเงินแทนทองได้เลยแต่ก่อนนั้นใช้แต่เงินรุวนรุ่นนะเลยอา้าวต่อมานี่ มันก็มีเช็คอืเช็คธนาคารอย่างงี้นะเช็คไปรษีนี่เช็คธนาคารหรือเช็คไปรษีนี่สามารถเอาไปขึ้นเอาเงินจากธนาคารที่ที่มีชื่อเช็คบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์อย่างงี้นะเช็คชื่อมีธนาคมีชื่อไทยนะ ธนาคารภัยพานิ์อยู่นั้นก็เอาไปขึ้นกับธนาคารภัยพานิ์ได้เว้นเสียแต่เขาขีดเส้นใส่หัวมุมเซกนั่นสองเส้นไว้แล้วเลยต้องเอาไปเข้าบัญชีฝากเงินซะก่อนเมื่อเอาเข้าบัญชีฝากเงินได้แล้วจึงถอนเงินออกมาเอาไปใช้ได้มันมีความหมายอย่างนั้น แต่ถ้าเขาไม่ได้ขีดเส้นไล่มุมหัวเซ็กนั้นอย่างนี้เอาไปขึ้นเอาเงินตามธนาคารที่เซ็กนั้นระบุชื่อไว้ได้เลยจะมก็มีวาาิทยุจากกรเป็นผู้ไปถอนไปเบกเอาเงินนั้นแทน<ม>แต่นักบวดเไปได็นเพียงถือเซ็กนั้นติดตัวไปได้อยู่เท่านั้นเองเวลาไปขึ้นเอาเงินแล้วต้อง มีพยาบาลจักรไปแลกเอาเงินนั้นมาจ่ายซื้อสิ่งของอะไรที่เราต้องการให้หรือว่าจ่ายค่ารถค่าลาตรงนี้นี่จะให้เข้าใจไว้พวกเราที่เป็นพระเป็นเนนเราต้องปฏิบัติให้ตรงตามพระวินยัยอย่าไปเห็นแต่แก่ความสะดวกสบาย พระพุทธเจ้านั้นน่ะพระองค์ทรงรู้แจ้งรู้ว่าพระนี่ถ้าหากว่ามีเงินมีทองติดตัวไปแล้วนั้นมีภัยอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งทําให้กิเลสตัณหาแรงกล้าขึ้นในใจอย่างที่สองก็ทําให้โจรขโมยเขาพล้นชี้เอาถ้าไปขัดขืนเขาฆ่าตายนี่พระองค์ทรงร่วงรู้แนละ้วจึงได้ทรงห้ามเพื่อ ให้ภาษาพวกทั้งหลายนั่นได้มีโอกาสเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาไม่ไม่มีภัยอะไรล ก, กวนแต่ถ้ า, าว่าพระนั้นมีเงินมีทองติดตัวไปแล้วเดือดร้อนเนี่ยโจรขโมยมันก็ไปล ก, กวนแล้วหาความสงบไม่ได้มีมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่พระ อ, องค์เจ้าทรงวันหยัดศิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ ทั้งของภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นเป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันน ะ, ะเราไปดูไปอ่านสิกขาบทที่ในข้อห้ามต่างนั้นเราต้องคิดเราต้องวินิจฉัยให้รู้ความหมายว่าพราะองค์ห้ามเพื่ออะไรห้ามเรื่องนี้นะเพื่ออะไรอย่างนี้นะเราต้องคิดดูให้รู้มันต้องมีความหมายอยู่นั่นแหละ แต่ถ้าพูดรวมๆแล้วสิกขาบทพุทธพยาติต่างๆนั้นนะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ราคะโทสะโมหะอันหยาบคายร้ายกาศนั้นครอบงำจิตใจเป็นอย่างนั้นถ้าพูดโดยรวมๆลงไปแล้วนะเราจะพากันดูวิในแล้วก็สิกขาบทข้อไหนที่ห้าม ป้องกันราคะของกระดายินดีแล้วก็สังเกต ด, ดูพิจารณาดูเพื่อป้องกันไม่ให้โมหะความหลงเข้าครอบงำจิตใจอย่างนี้ก็มีอยู่ให้สังเกต ด, ดูความหลงความเมาเช่นทรงบรรยัติธรรมแม่ภิกษุไปดูมหาลัษสบคกบกันร้องรำทําเพลง เด็ดีเที่าแล้วก็ห้ามให้ภิกษุเรียนติ ท, ท, นะทัานวิชาวิชาขั้นต่ำเช่นวิชาใ ส, สเสน่ห์และเอกรนต่างๆหวนี้นะวิชาใสหนังบางฟันวิชา อยู่คงกะพันชาตรีวิชาดูลาสีดูชตาราสีของคนทำนายทายทัดวันดีคืนดีวันร้ายคืนร้ายอะไรต่างๆวันนี้นะอันนี้มันเป็นประเภทแห่งความหลงความไม่รู้จริงในเหตุผลเรื่องนั้นนั้น มันเป็นทางแห่งความหลงร้ายคืนร้ายอะไรต่างๆวนี้นะอันนี้มันเป็นประเภทแห่งความหลงความไม่รู้จริงในเหตุผลเรื่องนั้นนั้นมันเป็นทางแห่งความหลงเรียกว่าไม่พูดง่ายๆว่าไม่เป็นทางพ้นทุกข์หมายเขาว่าอย่างนั้นจริงอยู่ที่พวกหมอหลายเขาทำนาย ถ้าตาราสีของคนบางทีมันก็จริงอบางทีก็ไม่จริงอย่างนี้แหละแล้วถึงจริงได้มันก็ไม่พ้นไปจากผลแห่งกรรมกรรมที่บุคคลคนนั้นทํามาแต่ก่อนตามมาสนองเอาอย่างนี้ใครจะพยากร์หรือพยัตไม่พยากรณมันก็ต้องให้ผลตามการดำมิลากรรมชั่วที่บุคคลคนนั้นทํามาแล้ว ถึงบุคคล น, นั้นจะพยากรว่าคุณมีข้อร้ายเอาสะดอกข้อเสียแล้วก็จะพ้นจากข้ออนนั้นอย่างนี้นะอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะไปสะดอกได้เพราะว่าอนุภาพแห่งกรรมเวทที่บุคคลคนนั้นทํามานี่ยมันอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมดอยู่เหนือชีวิตของผู้นั้นวันนัะดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะไปป้องกันได้เลย อันบนี้แหละมันเป็นทางความหลงพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่าไว้ในกันไม่ให้พระภิกษุสามเณรหลงไหลเดินทางผิดพูดง่ายๆนำชีวิตของตนไปสู่ทางที่ผิดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ในสงสารดังนั้นขอให้เข้าใจกันไว้นี่แหละพุทธบัญญัติทั้งหลายนะมันมีความหมายอย่างนี้เรื่องมันนะ ท่านเมื่อผู้ใดมาปฏิบัติตามพุทธมัญญัตินี้ไม่ร่วงเกินแล้วกิเลสยามยามนี่เระมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ mm hmm. เมือ่อกิเลสยามยามเรานี่บาบางออกไปจากจิตใจแล้วจิตใจมันก็ปลอดโปรง่งก็ไม่เร่าร้อนเท่าไรนักป่ะนี้ไอความทุกข์ความเดือดร้อนท่างาๆก็เบาบางลงไป มันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูให้ดีที่เราบวชเข้ามาแล้วว่ามันเป็นยังไงเมื่อเราปฏิบัติทำทำตามวินัยสํารวมในวินัยดูยดีแล้วก็จเจริญสมถาอิปัตนาให้เกิดขึ้นเพราะว่าวินัยทั้งหลายก็ดีมันก็ไม่พ้นไปจากจิตอีกแหละถ้าความไม่อบรมจิตนี้ไม่ฝึกข้นจิตนี้ให้ส ง, งบ ไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันไม่มีอวยปัญญาสอนจิตให้ละกิเลสเหล่านั้นแล้วมันก็รักษาวินัยไว้ไม่ได้เหมือนกันนะแต่อย่างนั้นดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงทำข้อปฏิบัติขึ้นหมวดหมวดไว้หมวดสามเช่นศีลสมาธิปัญญ า, านี่นะทำสามข้อนี่ ล้วนแต่สนับสนุนซึ่งกันและกันพลากกันไม่ได้เลยขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้อีกเป็นไปไม่ได้ถ้าเจริญในพร้อมกันไปทั้งสามข้อนี้แล้วมันก็เป็นกำลังใหญ่สำหรับกาจัดกิเลสอันมีอยู่ในใจให้บาบางไปดูลำดับไอศีลก็ดีสมาธิก็ดี มันจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นจากสมาธิแล้วปัญญาเนี่ยก็มาถอนจิตให้ละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายออกไปให้ความรู้สึกอันนี้มันละเอียดเข้าไปเรื่อยลำดับเช่นพูดถึงความรักอย่างนี้นะข่อยมันละเอียดเข้าไปเพียเนเป่นึก ขึ้นมาเท่านี้ก็รู้ตัว ไ, ได้เล ย, ยนี้เมื่อมันละเอียดแต่แล้วงัเป็นอย่างนั้นโอ้โนี่ความรักเกิดขึ้นนะนี่มันรู้ตัวได้อย่างนี้แนะล้วก็รีบตั้งสติเพ่งเข้าไปมันก็หายหน้าไปเลยเพราะกิเลสละเอียดนี่มันก็ไม่ดื้อดึงเหมือนอย่างกิเลสหยามหยาบเพราะฉนเสียแล้วผู้นั้นนะประมาทเมื่อตอนที่ตกขึ้น ในเรื่องความรักขึ้นมาน้อยหนึ่งก็ไม่สนใจไม่เตือนตอนให้กําหนดละความไม่ตกนั้นเช่นนี้ความไม่ตกนั้นมันก็หยาบขึ้นหยาบขึ้นโดยลําดับมันก็เลยกลายเป็นกิเลสหยาบไปซ้าบันนี้เป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นผู้ใดรู้ตัวว่ากิเลสหยาบเปนั้นตนได้ละมาแต่วินัยแล้วเช่นนี้แล้วก็พยายาม สํารวมจิตรักษาจิต อ, อย่าให้กิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดนี้ครอบงําได้ต้องรักษาจิตนี้ไว้เสมอเสมอไปอแล้วสามเณรทั้งหลายใช่บาตรก็ต้องให้รักษาบาตรให้เป็นนะ อย่าให้บาดไปหลุดมือกระทบของแข็งอะไรตัวใดให้บูบไปอย่างนี้ไม่ดีละไม่ถูกจัด ล, ล้างแล้วต้องเช็ดต้องขัดให้ดี่าผ้าเช็ดไม่เช็ดมือผ้าอาบน้ามีหรือไม่ก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ผู้จัดการเนียคงต้องจัดให้สมานเน้นให้ทั่วนะ ไม่มีก็ไปหาเอาในโกดังผ้าปูนอนหมดนั้นนะต้องจัดให้เขาว่าไปวิเวกอยู่ตามป่าตามลงอย่างนี้มันจะต้องบางทีมันเด็ น, นอนกับดินอาจจะต้องมีวางมีอะไรปูลงไปแล้วก็เอาผ้าปูนอนปูลง อย่างนี้แล้วก็นอนได้นั่งได้ต้องจัดให้ให้ครบบริฐารทุกดงะแต่ผ้าปูนั่งนั้นดูมันจัดมีกับทุกคนหรืมบ้างคู่ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยหาเอาทีหลังนั่งในที่ที่มันไม่ส ก, กรปรก แล้วก็ใช่ได้ต้องระมัดระวังการนั่งในที่ต่างๆถ้าเห็นว่ามันโสโปรกแล้วอย่าไปนั่งอ่ามันสะอาดถึงค่อยนั่งต้องรักษาภาพพรอนให้ดีแล้วก็ต้องให้รู้จักเคารพต่อครูบาอาจารย์นะ ผู้ที่แนะนําสั่งสอนผู้ช่วยเหลือเราให้ได้มาบวชในวัดพระศาสนานี้เพื่อนมีคุณต่อเรามากออย่าล่วงเกินเพื่อนแนะนําอย่างใดแล้วต้องทําตามในในวัดพระศาสนานี้ผู้ที่ปฏิบัติตามคาสอนพระพุทธเจ้าจะเจริญก้าวหน้าไปได้ก็เพราะมีการเคารพนี่แหละ แสดงอาการเคารพต่อผู้มีอุปการะคุณต่างๆไม่ร่วงเกินไม่ประมาทขอให้เข้าใจในพุทธศาสนาเนี่ยทงแสดงความเคารพนับถือบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าตนเช่นคนเขาเกิดก่อนเรา มีอายุมากเหมือนเท่าๆกับว่าบิดามารดาของเราเราก็นับถือฐานเหมือนกับบิดามารดาอย่างนี้นะอะถ้าเขาอายุมากกว่าเราโดยฐานที่เป็นพี่ชายเหมือนกับพี่ชายของเราเราก็นับถือผู้นั้นว่าเป็นเหมือนพี่ชายของตนออย่างนี้แหละค่ะตนมีอายุมากกว่า ผู้นั้นผู้นั้นมีอายุน้อยกว่าแล้วก็นับถือฐานเป็นน้องอให้ให้ให้เกิดความรู้สึกกันอย่างนั้นในเมื่อเราอยู่ร่วมกันนะให้เข้าใจ อ, อันนี้ก็เพียงแต่ได้หกโมงเสร็จต่อนนี้ไปก็นั่งสมาธิสักพักเสียก่อนแล้วจึงทำวัดสวดมนต์ต่อไป อ้าว oh.